ท่านอย่าอยู่ที่ประตูบ้านเราเลยจงออกไปเดี๋ยวนี้พระพุทธองค์ทรงอาศัยเรื่องนี้ยกย่องสุรัมพัถาว่าเป็นเอตทัคคะเลิศในความเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงเรื่องนี้ปรากฏในคำพีอัตถกถาของอังคุตระนิกายแม้อุบาสกและอุบาสิกาอื่นจะไม่รับตาแหน่งเอตัคคะเหมือนสุรัมพัถะ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 หมายถึงพระอนาคามีผู้ไปเกิดในสุทาวาสภูมิชั้นต่ำคืออวิหาภูมิเมื่อจุติแล้วไปเกิดในสุทาวาสภูมิชั้นสูงขึ้นไปตามลำดับกล่าวคืออตตปาภูมิสุทัสสาภูมิสุทัสสีภูมิและอากนิฐาภูมิแล้วจึงได้สําเร็จเป็นพระอรหรันและดับคันธะปรินิพาน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 แล้วดับขันธทะปรินิพาน 5. ผู้เป็นอุททางโสโตอากานิทาคามีหมายถึงพระอนาคามีผู้ไปเกิดในสุทาวาสภูมิชั้นต่ำคืออวิหาภูมิเมื่อจุติแล้วไปเกิดในสุทาวาสภูมิชั้นสูงขึ้นไปตามลำดับกล่าวคืออตับปาภูมิสุทัสสาภูมิสุทัสสีภูมิ และอากณินิฐาภูมิแล้วจึงได้สำเร็จเป็นพระอรหรันและดับขันธะปรินิพานในอากณินิฐาภูมินั้นหกสกทาคามีหมายถึงพระสกทาคามีคือผู้จะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเพียงหนึ่งครั้งเจ็ดเอกซีพีหมายถึงพระโสดาบันที่จะปฏิสนธิต่อไปภายหน้า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 3. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าขอถวายพระพรพระมหาบพิธอย่า ก, กลัวเลยการสวรรคตอันดีงามจะมีแก่มหาบอพิธการสิ้นชีวิตอันดีงามจะมีแก่มหาบอพิธสีดูกะระมหาบอพิธจิตของผู้ใดผู้หนึ่งที่อบรมแล้วด้วยศรัทธาศีล ส, สุตะจากกะและปัญญา